พูดถึงเรื่องของผีนะคะก็มีหลากหลายชนิดเหมือนกันค่ะแต่ว่าวันนี้บีเองจะมาเล่าเรื่องของตำนานความเชื่อเรื่องของผีหลากหลายชนิดนะคะที่ประเทศไทยของเราไม่ว่าจะเป็นผีโพงนะคะซึ่งผีโพงเนี่ยเป็นผีของทางภาคเหนือโดยขุนมหาวิชัยได้เล่าว่าผีโพงเรียกว่าผีกระสือ ผีชนิดนี้มักเกิดแต่คนที่มีว่านยาอันแรงคล้ายกันกับผีปอบค่ะแล้วมันก็มักจะติดแปดผู้อื่นได้เป็นต้นว่ามันถมน้ำลายถูกผู้ใดผู้นั้นก็มักจะกลายเป็นผีโพงเหมือนผู้ที่เป็นแล้วหรือถ้ามันไม่ชอบผู้ใดแล้วก็เอาไมคานหาบน้ำของแม่ไม้ไปคว่างข้ามหลังคาเรือนนะคะก็มักทำให้ผู้นั้นชิบหาย กิริยาที่ผีโพงชอบก็คือฝนตกพรํมค่ะมันก็มักจะออกมาหากินของพวกโสโครกในเวลาดึกแล้วก็มักจะเที่ยวด้อมๆมองๆตามใต้ถุนเรือนที่มีผู้หญิงอยู่ไฟโดยเขากล่าวนะคะว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยได้เห็นผีโพงมาเที่ยวหาของกินใต้ถุนเขาเกิดจําหน้ามันได้ค่ะว่าเป็นคนคนนั้นแน่นอนเขาก็เลยเอาหอกสัตว์พุ่งลงไปถูกเข้าที่กลางหลังเขาเข้าใจว่าผู้นั้นคงจะตาย แลวเมื่อเวลาเช้าก็ได้ไปตรวจดูที่บ้านคนนั้นก็เห็นคนนั้นยังมีชีวิตอยู่บาดแผลก็ไม่มีค่ะเขาก็นึกประหลาดใจเป็นอันมากก็เลยไปดูที่สวนของผู้นั้นเห็นห อ, อกปากอยู่ที่กอว่านติดอยู่กับหัวว่านที่ผู้ที่เป็นผีโพงเนี่ยปลูกไว้นะคะเพราะว่ า, าเข า, าเห็นว่าเกิดผีโพงเนี่ยเกิดจากผู้ที่มีว่านยาอันร้ายแรงว่านอันร้ายแรงนั้นมักจะจาแรงเป็นรูปเจ้าของไปได้จะจริงเท็จ ประการใดก็ไม่แจ้งนะคะผีโพงนี้ไม่ได้รบกวนแล้วก็ทำอันตรายแก่มนุษย์ค่ะโดยอุบายอย่างหนึ่งอย่างใดเลยพระคุณเจ้าลานนาศีโหพิกขุท่านก็เล่าว่าท่านได้เห็นดวงไฟดวงหนึ่งเคลื่อนไหวไปมาในตอนกลางคืนขณะที่ฝนตกพราพรำท่านก็ได้เฝ้ามองอยู่เป็นเวลานานแล้วก็ได้เข้าใจนะะว่าสิ่งที่เห็นนั้นคือผีพงท่านเล่าต่อไปนะคะว่ามีชาวบ้านหลายคนค่ะเคยเห็นผีโพง เขาบอกว่ามันเป็นคนเราดีๆนี่แหละแต่ว่าออกหากินพวกกบพวกเขียดหรือว่าของคาวจัดในเวลาดึกสงัดแล้วก็มีแสงเรืองๆ อ, ออกมาทางจมูกแสงของผีโพงนั้นจะหยุดลงสู่พื้นดินเหมือนเวลาที่เราเขียดใต้มันก็ชอบออกล่า ก, กบออกล่าเขียดตามทุ่งนาเมื่อจับกบจับเขียดใส่ปากได้มันก็จะดูดกินแต่พวกของขาวแล้วก็คว้างทิ้ง พวกชาวบ้านเล่าว่าเคยเห็นผีโพงในระยะประชิดตัวเหมือนกันก็ยืนยันกันหนักแน่นค่ะว่าผีโพงนี่มันเป็นคนธรรมดานี่แหละมีอาการทุกอย่างครบ32แต่ว่าผิดแปลกจากคนธรรมดาทั่วไปตรงที่ว่ามันชอบลากกบลากเขียดกินในเวลาค่ําคืนแล้วก็มีแสงออกจากทางจมูกเมื่อมีคนพบมันเข้าผีโพงก็จะอ้อนวอนขอร้องว่าอย่าได้ไปพูดเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายค่ะ ผีพงเป็นผีผู้ชายนะคุณผู้ฟังเวลาออกหากินเนี่ยมักจะสะพายดาบติดตัวไปด้วยเมื่อจวนตัวเข้าจริงๆมันก็จะทำร้ายเอาเหมือนกันบางตัวที่เป็นมานานปีก็จะฉลาดหน่อยพกเอาไฟฉายไปด้วยเวลามีคนมาพบเข้ามันก็จะแก้ตัวได้ว่าหาปลาหากบถ้าไปทำอะไรให้ผีพงแค้นเคืองแล้วก็มันจะอาฆาตพยาบาทแล้วก็พุ่งด้วยก้านกล้วยถึงตายได้เลยนะ ถ้ามันพุ่งข้ามหลังคาบ้านก็จะพากันชีพหายวายวอดตามธรรมดาชาวบ้านถือกันนะฮะว่าคนที่เป็นผีโพงนั้นเนื่องจากวิบากกรรมของเขาเองพวกชาวบ้านจึงไม่มีใครสนใจเพราะว่าผีโพงเนี่ยไม่ทําอันตรายใครแล้วก็ไม่เป็นภัยต่อใครๆนั่นเองค่ะมีอีกผีหนึ่งค่ะผีนี้เป็นผีที่เกิดขึ้นในละครเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เป็นเรื่องเล่าตามตำนานเยอะเหมือนกัน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีตัวตนอยู่จริงปัจจุบันก็ยังมีสารด้วยผีตนนี้ก็คือแม่นาคพระขนงค่ะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีตายท้องกลมที่เป็นที่รู้จักกันดีเรื่องหนึ่งของไทยเลยนะคะเชื่อว่าเป็นผีที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ค่ะ ศาลแม่นาคพระขนงตั้งอยู่ที่วัดมหาบุตรเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครที่นี้มีเรื่องเล่าตามตำนานเขาบอกว่ามีผัวเมียหนุ่มสาวคู่หนึ่งเนี่ยอยู่กินกันแบบฉันสามีภรรยาที่ย่านพระขนงฝ่ายสามีเนี่ยชื่อในมากภรรยาชื่อนางนาค ทั้งสองอยู่กินกันจนนางนาคตั้งคันอ่อนๆนามากก็มีเหตุจำเป็นต้องให้ไปเป็นทหารซึ่งเป็นหมายเรียกชายชกันจากทางหลวงค่ะนมากก็เลยต้องไปเป็นทหารประจำการในบางกอกนางนาครอในมากกลับบ้านจนเวลาผ่านไปหลายเดือนนางนาค ก, ก็ท้องโตขึ้นเรื่อยๆจนครบกำหนดคลอดแต่ขณะที่คลอดลูกในท้องของนางนาคเนี่ยไม่ยอมออกมาค่ะคือไม่ยอมกลับหัว เมื่อนางนาคไม่สามารถคลอดลูกได้ตามปกติเด็กไม่ออกนางนาค ก, ก็เลยต้องตายท้องกลมพร้อมกับลูกในท้องหลังจากนางนาคได้ตายไปศพก็ถูกชาวบ้านนำไปฝังไว้ที่ป่าช้าวัดมหาบุตรจนวันหนึ่งมีเด็กๆนะะี่ะวิ่งเล่นซุกซนแถวแถวหลุมฝังศพทำให้ผีหลอกหลอนกันจนไปล่วงเกินศพของนางนาคเข้า กลายเป็นการปล้าผีลูกปลุกผีนั่งค่ะวิญญาณของนางนาค ก, ก็เลยออกสำแดงเดชให้เด็กๆ ก, กลัววิญญาณของนางนาคยังคงอลาลัยอาวรณ์ถึงนายมากผู้ที่เป็นสามีนีคะกลายเป็นวิญญาณที่ไม่สงบก็ยังคงเฝ้าวนเวียนรอสามีกลับบ้านวิญญาณของนางนาคจึงสิงสู่อยู่ที่บ้านของอนางนาคเองนะคะตั้งแต่เมื่อสมัยที่เสียชีวิตหรือว่าตายลงนะคะเพื่อที่จะรอนายมากผู้เป็นผัวเนี่ยกลับมา วันหนึ่งในมากกลับมาที่บ้านได้พบ น, นางนาคแล้วก็ลูกเลยดีใจค่ะนางนาคด้วยความที่เกรงว่าผัวจะรู้ความจริงก็เลยคอยพยายามรั้งในมากให้อยู่ที่บ้านตลอดเวลาไม่ให้ออกไปพบใครในมากก็เชื่อฟังสามอ่าเชื่อฟังภรรยาอย่างดีเพราะว่าด้วยความรักไม่ว่าใครที่เจอในมากจะบอกในมากอย่างไรก็ตามในมากก็ไม่เชื่อว่าเมียตัวเองเนี่ยตายไปแล้ว ขณะที่ น, งนางนาคก็ตำน้ําพริกอยู่บนบ้านฉากนี้ในละครหรือว่าในภาพยนตร์เนี่ยเป็นฉากที่คลาสสิกมากคือฉากตําน้ําพริก น, งนางนาคก็ทํามะนาวตกลงไปใต้ถุนบ้านด้วยความรีบร้อนค่ะนางก็เลยเอื้อมมือยาวลงมาจากร่องบนพื้นเรือนเพื่อเก็บมะนาวที่อยู่ใต้ถุนบ้านขณะนั้นในมากเองก็บังเอิญค่ะผ่านมาเห็นพอดีก็เลยปากใจเชื่ออย่างเต็มร้อยว่าเมียตัวเองเนี่ยเป็นผีตามที่ชาวบ้านเล่าลือกัน ในมากก็เลยวางแผนหลบนี้ผีนางน้าค่ะด้วยการแอ บ, บเจาะตุ่มใส่น้ําให้รั่วแล้วก็เอาดินอุดไว้ตอนกลางคืนก็เลยทําทีเป็นปลดทุกข์เบาแล้วก็แอ บ, บเอาดินที่อุดตุ่มไว้นี่นะคะปล่อยออกให้น้ํามันไหลออกเหมือนคนปลดทุกข์เบาแล้วก็แอ บ, บนหนีไปนางนาคเมื่อเห็นว่าผิดสังเกตก็เลยออกมาดูทําให้รู้นะว่าตัวเองนี่โดนหลอกเขาให้แล้วก็เลยตามในมากไปทันทีค่ะในมากไม่เห็นผี น, นางนาคตามก็เลยหนีเข้าไปหลบอยู่ในดงหนาด นางนาคไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าผีกลัวใบหนาดนะาตามความเชื่อทีน่นี้ในมากก็หนีไปพึ่งพระที่วัดนางนาค ก, ก็ไม่ลดละไม่ลดความพยายามค่ะด้วยความที่เจ็บใจชาวบ้านที่คอยอยุยงตะแข่งรั่วให้สามีตัวเองอีกประการหนึ่งทำให้นางนาคออกอลาวาดหลอกหลอนชาวบ้านจนหวาดกลัวกันไปทั่วทั้งบางซึ่งความเฮี้ยนของนางนาคส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ถูกฝังไว้ระหว่างต้นตะเคียนคู่ ในที่สุดขาะนางหน้าก็ถูกหมอผีมือดีจับใส่หม้อถ่วงน้ำก็เลยสงบไปได้พักใหญ่จนมีตาใหญ่คู่หนึ่งที่ไม่รู้เรื่อง เพิ่โผล่มาจากที่อื่นย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะก็เก็บหม้อที่ถ่วงนางนาคได้ขณะทอดแหจับปลานางนาค ก, ก็เลยถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกสมเด็จพุทธจารย์โตสยบลงไปได้กระโหลกศีรษะส่วนหน้าผาของนางนาคถูกเคาะออกมาทําเป็นปั้นเหน่งหรือว่าหัวเข็มขัดโบราณ น, นั่นเองนะคะเพื่อเป็นการสะกดวิญญาณแล้วก็นํานางนาคสู่สุขติหลังจากนั้นปั้นเหน่งชิ้นนั้นก็ตกทอดไปยังเจ้าของอื่นๆอีกหลายมือ ตำนานรักของนางนาคนับว่าเป็นตำนานรักอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจคุณผู้ฟังอย่างไม่รู้คลายกับความรักที่มั่นคงของนางนาคที่มีตสามีแม้แต่ความตายก็ม่อาจพรากหัวใจรักของนางไปได้อนเอกนกนาวิกมูลค่ะผู้ศึกษาเรื่องของตำนานประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยเกี่ยวกับแม่นาคพระขนงนี้พบได้ว่า น่าจะเป็นมาจากเรื่องจริงของลูกสาวคณะบดีผู้หนึ่งที่ตายลงขณะยังตั้งท้องแล้วก็ครอบครัวฝ่ายหญิงก็เกรงว่าจะมีคนมาขุดสมบัติของครอบครัวตนก็เลยให้เด็กๆในบ้านแซงทำเป็นผีหลอกผู้คนที่ผ่านไปมาด้วยการคว้างหินใส่เรือผู้ที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืนบ้างแล้วก็ทำวิธีต่างๆหน้าๆเพื่อให้คนที่เชื่อว่าผีของลูกสาวตัวเองนี่เฮียน แต่ก็ไม่พบนะคะว่าผู้หญิงสาวผู้นี้ชื่อว่านาคหรือไม่แล้วสามีของเธอจะชื่อมากหรือไม่ค่ะทีนี้ยังมีผีอยู่อีกตนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผีผู้หญิงสาวสวยเลยแหละค่ะถ้าจะให้คุณผู้ฟังทายหลายหลายคนคงจะต้องนึกถึงตะเคียนถูกไหมคะแต่ว่าตะเคียนเนี่ยยังไม่ถึงคิวเอาเรื่องของตานีก่อนผีตานีเนี่ยเป็นผีผู้หญิงเช่นเดียวกันกับนางตะเคียนนะ นางตานีเนี่ยจะสิงสถิตยอยู่ในต้นกล้วยตานีค่ะแล้วก็จะต้องเป็นกล้วยตานีตายพลายก็คือต้นกล้วยตานีที่ออกปลีแล้วก็ตายนั่นเองนางตานีมีรูปร่างหน้าตาสวยสดหมดจดงดงามมีกลิ่นตัวหอมไว้ผมยาวฝ่ามือฝ่าเท้าแดงอ่อนดุจตีนนกพิราบริมฝีปากมีสีเหมือนตาลึงสุกค่ะทักกล้วยตาีมีลำต้นอวบ พายนางตานีก็จะมีรูปร่างทรงท้วมถ้ามีลำต้นโปร่งเปล่านะคะพลายตานีก็จะมีรูปทรงเฉลวยห่มสบายสีเขียวนุ่งโจงกระเบนแบบหญิงโบราณชอบลอผู้ชายไปลวนลามค่ะและนางตานียังมีแรงหึงหวงที่น่ากลัวอีกด้วยเพราะถ้าผู้ชายที่มีอะไรกับเธอแล้วนะคะเมื่อไปมีอะไรกับผู้หญิงอื่นนางตานีก็จะตามไปหักคอผู้ชายคนนั้นทันทีเรียกว่าด้วยแรงหึงนั่นเองค่ะ ลักษณะของกล้วยตานีเป็นกล้วยที่มีลำต้นตรงงามมีใบยาวสีเขียวเข้มใบกล้วยซึ่งเรียกว่าตองนั้นตองกล้วยตานีเป็นตองที่มีเนื้อเหนียวไม่แตกหักง่ายจึงใช้งานเป็นอุปกรณ์สำหรับห่อข้าวของได้ดีค่ะทั้งกล้วยตานีเองก็ยังเป็นกล้วยที่มีผลมีเมล็ดมากจนไม่มีใครกินเนื้อของกล้วยตานีนอกจากจะใช้ผลอ่อนดองเป็นผักกินกับน้าพริก ความพิเศษของกล้วยตานีทำให้คนเนี่ยจินตนาการได้ะว่านางจะต้องมีนางไม้มาสิงสู่อยู่แล้วก็ธรรมดาแหละเนาะก็นึกว่าอาจจะให้นางตานีเนี่ยเป็นผู้หญิงสาวสวยผมยาวนุ่งผ้าสีเขียวห่มสบายสีตองอ่อนแต่ก็ไม่ปรากฏนะคุณผู้ฟังว่านางตานีจะทำร้ายใครหรือว่าให้คุณแก่ใครเป็นพิเศษคงอาจจะเป็นเพียงการหลอกให้คนตกใจกลัว คนแต่ก่อนก็เลยไม่ค่อยนิยมปลูกต้นกล้วยตานีไว้ในบ้านเพราะเข้าใจนแหละว่ากล้วยตานีเนี่ยเป็นต้นกล้วยใหญ่เติบโตเร็วกินที่มาก การบอกว่ามีผีนางไม้สิงอยู่อาจจะเป็นอุบายไม่ให้ปลูกต้นกล้วยในบริเวณบ้านก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะแต่ว่ามีความเชื่อของคนสมัยโบราณเกี่ยวกับนางตะนีอยู่ค่ะโดยเหตุที่พายนางตะนีเป็นผีเนี่ยชาวบ้านจึงไม่กล้าปลูกกล้วยตะนีไว้ใกล้เรือนแม้จะปลูกไว้ใกล้เรือนก็จะตัดเอาใบตองไปใช้ก็ห้ามไม่ให้ตัดเอาใ บ, าใบทั้งใบไปนะคือจะต้องเจียนเอาเฉพาะใบตองเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องหักก้านซะก่อน เพราะถ้าตัดเอามาทั้งทั้งตัวต้นกล้วยแล้วก็เอาเข้าไปในเรือนหรือว่าเอาไปทั้งใบเลยนะคะก็ถือว่าเป็นลางร้ายค่ะว่าจะมีใครในบ้านคนนั้นเนี่ยตายลงไปในไม่ช้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะเนื่องจากคติเดิมละมั้งคะที่ใช้ใบตองกล้วยตะนี3าใบารองก้นลงศพค่ะกล้วยตะนีนี้ถ้าคราวออกปลีจะมีพธิธีพลีพรายนางตะนี เครื่องพลีก็จะมีหัวใบสีนะค ะ, ะเป็นหัวหมูสำหรับข้าวหวานของหวานก็จะมีขนมต้มมีข้าวต้มแดงข้าวต้มขาวนอกจากนี้ก็ยังมีข้าวตอกดอกไม้ทุบเทียนน้ำหอมแล้วก็เครื่องหอมมีแป้งกระแจะจันเป็นต้น เอาแหวนแล้วก็สร้อยทองคำไปคล้องนะคะที่วงปลีกล้วยเป็นเครื่องประดับแล้วก็นำผ้าผืนหนึ่งจะเป็นสีแดงหรือสีอะไรก็ได้ค่ะไปพันรอบต้นกล้วยตะนีเป็นต่างนะคะว่าได้ห่มผ้าให้แก่พลายนางตะนีก็ขอให้คุ้มครองรักษาคนในบ้านแล้วก็ให้มีโชคมีลาบด้วย บางทีคนสมัยก่อนก็มักจะนิยมนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดมนต์ทบุญด้วยค่ะบางทีหมอที่ทําพิธีเมื่อเส้นขวัญแล้วก็นำดอกอในปลีกล้วยตานีเนี่ยไปตากแดดให้แห้งแล้วก็นำมาบดให้เป็นผงผสมกันกับผงอิดนะคะหรือว่าผงของดินสอขาวที่มีการลงยันซึ่งเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับใช้ในทางเกิดสเสน่ เมตตามาหานิยมบางทีก็เอาดอกในปลีกล้วยตานีเนี่ยไปใส่ไว้ในตลับสีพึ่งสีปากแล้วก็เสกแล้วนะคะใช้สําหรับสีปากเพื่อให้เกิดเสน่ห์เมตตามาหานิยมเช่นเดียวกันเมื่อใช้สีพึ่งนี้แล้วนะคะแย้มปากพูดออกมาก็จะมีเสน่ห์ทำให้ผู้ใช้อ่าเนี่ยเกิดมีผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่ได้ยินได้ฟังเราพูดเกิดมีความเมตตาถ้าเป็นผู้หญิงสาวก็ทําให้เกิดความรักขึ้นมาได้ทันทีแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะ ถ้าผู้หญิงทาสีพึ่งนี้แล้วเมื่อแย้มปากพูดออกมาผู้ชายก็จะเกิดความรักขึ้นมาในทันทีเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้ากล้วยตานีที่ทำพิธีเส้นไหว้นะคะอ่าแล้วก็ออกปลีกลางต้นก็ถือว่ากล้วยตานีนั้นเกิดมีพรายนางตานีขึ้นละกล้วยตานีที่ออกปลีกลางต้นนี้พวกผู้ชายหนุ่มที่ยังเป็นโสดอยู่ถ้าเป็นผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับพรายนางตานีก็จะไปทาพิธีเช่นกันก็คือ เป็นทํานองเดียวกันแล้ค่ะกับที่กล่าวมาข้างต้นแล้วก็ไปที่ต้นกล้วยตานีนั้นในเวลากลางคืนทุกคืนสุดแต่โอกาสจะอํานวยให้พอไปถึงก็กล่าวคําเกี้ยวประเล้าประโลมภายตานีต้องตั้งความเพียรไปเกี้ยวนะจนกว่าพายตานีจะใจอ่อนเห็นอกเห็นใจแล้วก็เอามีดเฉือนอตอนโคนกล้วยนะคะที่มีลักษณะเป็นเหมือนเงาค่ะเอามาก้อนหนึ่งแล้วก็แกะ เป็นรูปผู้หญิงใส่ตลับหรือว่าภาชนะอื่นไว้แล้วก็ต้องเส้นวักทุกเช้าเย็นทำอย่างนี้อยู่หลายๆวันค่ะพายตานีก็จะมาปรากฏร่างให้เห็นในความฝันเป็นผู้หญิงสาวรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามสมดังใจที่เคยนึกว่ า, าสวยงามที่เคยนึกพวงนะคะว่าเป็นจินตนาการมาก่อนแล้วนางก็จะยอมตนเป็นเมียผู้นั้น อันเป็นความฝันอีกเหมือนกันเมื่อได้พรายตานีเป็นเมียแล้วชายผู้นั้นจะไปมีเมียอื่นอีกไม่ได้นะคะถ้ามีเนี่ยมักจะเกิดอันตรายถ้าต้องการจะมีเมียจริงๆก็อาจทําได้โดยบอกกล่าวขออนุญาตพรายตานีซะก่อนพรายตานีเนี่ยเป็นเมียที่ดีค่ะเมื่อเห็นสามีซื่อสัตย์ไม่ปิดบังความจริงนางก็อนุญาตให้มีได้นะซ้ํายังจะช่วยเหลือเพื่อให้การนั้นสําเร็จไปด้วยดีอีก ไม่มีหึงหวงแยกเคีียวหรือร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพายเหมือนเมียมนุษย์นะคะ <c oughs> ก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังใครที่เป็นผู้ชายแล้วฟังเรื่องนี้นะคะถ้าหากว่ามีต้นกล้วยตานีอยู่ที่บ้านอลองทำพิธีเส้นวักดูก็แล้วกันเนาะเผื่อมีเมียเป็นนางตานีนะคะอาจจะร่ำรวยอาจจะมีเมียหลายคนแต่ขออย่างเดียวอย่าโกหกนางก็เป็นพอค่ะเพราะว่านางไม่ชอบคนโกหกนั่นเอง ผีสุดท้ายเลยที่บีจะเล่าถึงวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของผีพราย ผีพรายนั้นบางตำราเป็นผีประเภทหรือว่าพวกเดียวกันกับนางไม้นะฉะนั้นเรื่องความสาวแล้วก็ความสวยค่ะรับรองว่าไม่เป็นรองใครแล้วก็คงจะเป็นผีสาวมากกว่าเพศชายค่ะข้อหลังนี้ไม่อยากจะยืนยันเพราะว่ากลัวจะเมื่อยขาเอาว่าเป็นผู้ชายเราไม่สนใจเรามาว่าแต่เรื่องสวยๆงามๆดีกว่าเนาะแม้ว่าจะเป็นผีก็ยังอยากจะชีกอว่างั้นเถอะออลืมบอกปายคุณรู้ฟัง ผีพรายส่วนใหญ่มีนิวาสสถานอยู่ในน้ามากกว่าบนบกค่ะแต่ว่าผีพรายกับพรายน้ำที่ส่องแสงวับวบแวบๆตลอดเวลานะคะประวัติความเป็นมาและก็อิทธิฤทธิ์ของผีพรายผีพรายนั้นไม่มีประวัติความเป็นมาอะไรมากมายนะักนอกจากเป็นผีประเภทนางไม้อย่างที่บอกไว้แต่แรกค่ะแล้วก็ชอบอาศัยอยู่ในน้า ทำไมถึงชอบไปอยู่ที่นั่นก็ไม่กล้าดำลงไปถามเหมือนกันเดี๋ยวจะไม่ได้กลับขึ้นมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก็เลยปล่อยให้ความสงสัยเนี่ยยืนยงมาจนถึงทุกวันนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเลยจะดีกว่ารู้แค่พอหอมปากหอมคอก็พอนะคะอ๋อเพิ่งนึกได้ในวรรณคดีไทยเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนมีเรื่องราวเกี่ยวกับผีพรายอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ไม่ใช่ผีสาวกลับเป็นพรายหนุ่มค่ะหรือจะให้เรียกแบบชัดเจนก็คือผู้พรายนั่นเองนะคะ สำหรับเรื่องราวของอผีพรายในวรรณคดีเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยก็คือมีอยู่ตอนที่ท่านหมื่นหารนายโจรสั่งให้นางบัวคลี่ลูกสาวของตนวางยาพิษหมายจะใช้เป็นเครื่องมือสังหารลูกเขยก็คือพรายแก้วหรือขุนแผนแต่ว่าเจ้าโฮงพรายผีที่ขุนแผนเลี้ยงไว้เนี่อรู้เข้าก็เลยแอบกระซิบบอกกับขุนแผนผู้เป็นนายของตน คุณแผนเรียนวิชาเลี้ยงผีรวมทั้งคาถาอาคมเค่เ ร, คเรื่องรางของขลังมาจากอาจารย์สมัยที่บวชเป็นเนนอยู่ที่วัดแคร์สำหรับเจ้าหงพรายนั้นพรายแก้วเคยใช้ขี่เป็นพาหานะเหาะไปหานางพิมพ์พิไลที่สุพรรณบุรีมาแล้วนะจ๊ะลักษณะของผีพรายค่ะผีพรายตามที่บอกไว้แต่แรกเนี่ยว่าเป็นผีประเภทนางไม้สวยสวยงามนะคะแล้วก็ชอบอาศัยอยู่ในน้า แต่ว่าตัวที่เจ้าพรายแก้วขี่ไปที่บ้านนางพิมเนี่ยเป็นผีพรายที่อยู่บนบกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพศใดกันแน่หากแต่เป็นผีพรายเพศหญิงมักจะไว้ผมยาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามหุ่นสแลนเดอร์อีกต่างหากอาหารการกินค่ะก็ออกจะกินพวกผีพรายออกหากินก็คือพวกเครื่องเส้นเหมือนผีธรรมดาทั่วไปนั่นแหละก็แบบเดียวกันกับผีผีนางไม้ทั้งหลายอันได้แก่พวกผีตานีผีนางตะเคียนนะคะ แต่ว่าไม่เคยได้ข่าวนะว่าผีพรายนี่หารายได้พิเศษในทางให้หวยบอกเลขจนคนตั้งศาลยกให้เป็นเจ้าแม่เหมือนกับผีสองชนิดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เลยไม่รู้นะฮะว่าจะได้เครื่องเส้นมาด้วยวิธีใดเพราะว่าคนเราเนี่ยลองไม่ได้ผลประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่เครือญาติกันแล้วด้วยเรื่องจะเอาอาหารคาวหวานไปเส้นสงเวยความเสน่หานั้นคงเป็นไปได้ยากค่ะสาหรับวิธีป้องกันผีพรายนั้นนะคะหรือว่าวิธีจัดการกับผีพราย ผู้สันทัดกรณีค่ะเคยบอกน ะ, ะว่าผีพรายผู้หญิงนั้นชอบอาศัยอยู่ในน้ำเวลาใครลงไปเล่นน้ำคนเดียวโดยเฉพาะที่ลึกๆอาจโดนผีพรายนีย่เอาผมพันขาลากหายไปก็ได้ทั้งนี้เพราะว่าต้องการจะเอาตัวไปเป็นบริวารหรือไม่ก็เอามารับตำแหน่งหน้าที่ผีพรายน้ำแทนตนนะฮะแล้วก็ตัวเองเนี่ยจะได้ไปผุดไปเกิดซะที เวลาที่มีข่าวคนจมน้ําตายค่ะก็มักจะเชื่อกันแล้วค่ะว่าเพราะถูกผีพันขาเอาไว้มากกว่าก็เลยทําให้จมน้ําตายซึ่งก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะคะเพราะว่าไม่มีใครยอมเป็นอาสาสมัครไปทดสอบเลยสักรายเดียววิธีป้องกันก็คืออย่าไปเล่นน้ําคนเดียวโดยเฉพาะที่ลึกๆแล้วก็ในเวลากลางคืนส่วนวิธีจัดการกับผีพรายนั้นคงต้องพึ่งหมอผีผูร้รู้แล้วก็พูดเรื่องวิทยาการทางด้านคาถาอาคมค่ะ ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับผีพรายเวลาที่ใครตื่นนอนขึ้นมาพบนะคะว่าตามเนื้อตามตัวมีแขนจะเป็นแขนเป็นขามีรอยช้ําเป็นจ้ำๆโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะเมื่อคืนก็ไม่ได้เมาหรือว่าเดินสะดุดนักเลงที่ไหนท่านผู้รู้บอกว่าอาการช้ํานั้นนะคะเกิดจากการถูกพรายย่าหรือว่ า, าพรายขย่านะคะก็เป็นได้แต่ถ้าขนาดถึงขอบตาเขียวหรือฟันโยกไปทั้งปากเนี่ย บีสงสัยต้องลองให้นึกทบทวนดูดีๆว่าเมื่อคืนนี้ไปฝ่าด่านอะไรมาบ้างหรือเปล่านอกจากผีพรายน้ำจืดที่เรารู้จักกันดี